อากาศก็ร้อน <c oughs> ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารถ้าไปรับอาหาร <c oughs> เผ็ดจัดร้อนจัดอย่งนี้ก็จะทำให้ท้องเสีย น, นี้มันก็เป็นกายภาพบำบัดอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่การปฏิบัติธรรมนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ ทางร่างกายเหมือนกันถ้าสุขภาพทางร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วการปฏิบัติธรรมก็อ่อนแอไปเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีโรคภัยประจำตัว <c oughs> อันนั้นแถมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่ารูปอันนี้มันกรรมตกแต่งมา <c oughs> <c oughs> กรรมเป็นเครื่องตกแต่ง <c oughs> เมื่อกรรมมันตกแต่งมาแล้วเราจะไปดัดแปลงให้มันดีเป็นปกติมันไม่ได้อันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์อันหนึง่งสอนใจคนเรา ให้รู้สึกสำนึกตัวว่ากรรมใดที่ตนทำมาแล้วมันจะแก้คืนไม่ได้มันต้องให้ผลไปตามเวลาของมันทางที่ดีแล้วสำหรับปัจจุบันนี้เราไม่ทำกรรมชั่วต่อไปอธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่ว น, น, นั้นเสีย ท่านี้ถ้ า, าว่ามันจะต้องเกิดอีกต่อไปเมือนกาคงเกิดดีได้อัตภาพร่างกายที่ดีเม <c oughs> <c oughs> ืองปรากฏในตำราพระสาวกบางองค์ก็ได้รับเอตาสคะคือได้รับยกย่องจากศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางที่มีโรคน้อย ได้แก่พระพาคุระพระพาคุระนั้นเป็นลูกสองตระกูลท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีวันหนึ่งแม่เลี้ยงพาลงไปสู่แม่น้ำไปอาบน้ำกัน วันนี้ก็เอาเด็กนั่นวางไว้ริมน้ำนตัวเองก็ลงอาบน้ำเลยไปพอดีเวลาน้ำมันเป็นคลื่นคลาดขึ้นมากะบังเอิญมีปลาตัวหนึ่งแหวกว่ายมาที่นั่นไปเห็นเด็ก อยู่ริมน้ำนั่นเข้าใจว่าเป็นอาหารเป็นก้อนเนื้อก็เลยอ้าปากงับเอาเด็กนั้นเข้าไปในท้องโดยที่ไม่ได้เคี่ยวอะไรเลยกลืนเข้าไปเฉยๆเด็กก็ไปอยู่ในท้องของปลาตัวนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทำมาแต่ก่อนนันรักษาไว้ ก็ไม่ตาย ม, มีคนไปตกอวนแล้วก็ไปติดอวนเขาเขา้าแล้วก็พากันหามปลาตัวนั้นไปเที่ยวประกาศขายเศรษฐีบ้านหนึ่งก็ซื้อเอาก็ซื้อแล้วก็ไปทาแหละเข้าไปไปเห็นเด็กอยู่ในท้องปลายังไม่ตายก็เกิดรัก เหมือนลูกในใส่ตัวเองก็ออกไปเลี้ยงไว้บนันิฟายบิดามารดาเดิมนี่ได้ให้คนไปเที่ยวส่องแสวงหา ว, ว่าบุตรของตนนี่จะตายหรือยังก็ยังไม่ทราบต่อมาภายหลังได้ทราบว่า มีเศรษฐีบ้านนั้นเอาไปเลี้ยงไว้ก็จึงติดตามไปเจรจาขอคืนแต่เศรษฐีนั้นไม่ยอมให้คืนเพราะว่าเขาได้ซื้อเอาปลานั้นมาแล้วเด็กอยู่ในท้องปลามันก็ต้องเป็นผิดของเขาเมื่อนีงก็เป็นความกันสมัยนั้นก็มราชาธิปไตยนำเด็กนั้นไปทูล พระเจ้าปิมมิสารขอให้พระองค์ได้วินิจัยตัดสินว่าคนรจะเป็นลูกของใครพระเจ้าปิมมิสาจรจึงได้ตัดสินให้เป็นลูกของตระกูลเจ็ดวันให้ตระกูลนี้เอาไปเลี้ยงเจ็ดวันนะต่อไปก็ให้ตระกูลนั้นเอาไปเลี้ยงผัดเปลี่ยนกันเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาจนว่าขุมมานั้นจเจริญไว้ใหญ่โต แล้วก็พอเจริญวัยใหญ่โตมาก็ได้ลามานดาพิดาออกบวชเมื่อบวชไปแล้วไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สุขภาพก็ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเพียงสมอลูกเดียวก็ไม่ได้ฉันเลย ความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทอะไรไม่มีไม่ได้ฉันยุกฉันยาอะไรเลยนน <c oughs> ดังนั้นพระศสราศสดาจึงได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศแห่งสาวก ข, ของพระองค์ว่าเป็นผู้มีโรคน้อยแล้วในตำราท่านกล่าวว่าเมื่อท่าน มีอายุอยู่มาได้ร้อยยี่สิบปีท่านก็นั่งนิพพานในถ้ำกลางสงเลยท่านไม่ได้นอนท่านนั่งนิพพานไปเลยอันนี้นว่าเป็นคติอันดีอย่างหนึ่งที่เมื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะต้องพยายาม สัมรวมกายวาจาของตนให้ดีอย่าไปชอบเบียเดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เจ็บปวดอืทนทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไปทําให้เขาได้รับทุกข์ทนทรมานเช่นนั้นแล้วกรรมนั้นน่ยมันก็ตามสนองเอาเกิดไปคาดต่อไป ก็มีแต่โรคภัยเบียดเบียน ร, รักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะว่าโทษที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนนหลังนี่บุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วหมอรักษาเยียวยาไม่หายนี่ล้วนแต่เป็นผลแห่งกรรมเวทที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนทั้งนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควร น้อยใจจึงไม่ควรเสียใจให้ตัวเองเพราะว่าตนได้รังเผอได้ทำกรรมชั่วมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของผู้นั้นเน่ที่จะต้องสังวรระวังต่อไปเมื่อหมดกรรมเก่าอันนี้ลงไปแล้วไม่ได้สร้างกรรมใหม่สืบต่ออีกอย่างนี้มันก็เป็นนั้นว่า สำเวนก็หมดไปก็มีสุขภาพอนมามัยดีอันนี้ก็ได้บาเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทไม่ได้ใช้ ร่างกายสังขารอันบุญตกแต่งให้นี้บำเพ็ญบุญกุศลทำความดีถืบต่อแล้วผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้พลาดจากโอกาสอันงามเป็นผู้ที่ไม่มีโชคไม่มีลาบถึงอย่างไรร่างกายอันนี้บุญจะตกแต่งให้มันก็ตกแต่งให้ไปเท่าที่กําลังบุญมีอยู่เท่านั้น เมื่อบุญนั้นหมดอายุลงเมื่อใดร่างกายอันนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรนิ่งนอนใจนะควรพยายามบำเพ็ญอบรมฝึกฝนจิตใจตัวเองการที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นคนนี่แหละ มันถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมจิตนี่ถ้าไปเป็นร่างอย่างอื่นแล้วมันมันทำไม่ได้เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่พวกสัตว์เดรัจฉานหมดนั้นมันจะไปฝึกอบรมจิตใจของมันไม่ได้เลยเพราะว่าสาัตว์เดรัจฉานนี่มันมีรูปหยาบด้วยจิตใจมันก็หยาบสติปัญญาอะไรก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้ ในไป เ, เป็นสัตว์สิ่งทีดได้ฉานแล้วนว่าอาภัพเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาได้อัถภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนะับว่าเป็นลาบอันประเสริฐ จ, จริงๆเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีสติมีปัญญาพอสมควรพอที่จะรู้ว่าของดีคืออะไร ของไม่ดีคืออะไรนี่สามารถรู้ได้อ น, นี้ละสำคัญมากแต่ว่าบางคนนะ่ะเป็นผู้ประมาทปล่อยให้อวิชชาตันหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ น, นันตาปาน่าเสียดายการที่ได้มาอาศัยอยู่ในอัตภาพ ร่างกายเป็นมนุษย์แล้วทำความดีไม่ได้อันนี้น่าเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลของชีวิตล่าวมานี้แล้วก็จึงสมควรตั้งอยู่ในอั ป, ปมาต ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าผู้ใดรู้ตัวเวลาไหนล้วทำความดีมันก็ยังได้อยู่ มันก็ยังไม่สายเกินไปไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เอ็นผู้ใดตื่นตัวในเวลาอายุมากเข้ามาอย่างนี้มันก็ยังทำความดีได้อยู่เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ได้แปรผันเป็นอย่างอื่นไปคือมันก็รู้สึกความเป็นมนุษย์ของตนอยู่อย่างนั้นแล้วความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะองค์สามารถชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ชาวโลกทั้งหลายได้ฟังโดยถูกต้องจริงๆนี่ไอความเชื่อความเห็นดังกล่าวมานี่จะเป็นอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนหรือวัยแก่นี่มันมันมันเป็นไปได้รู้ได้ทุกคนเลย เพราะฉะนั้นถึงว่าไว้แกก็จึงได้เข้าวัดจึงได้จำศิลปกันจึงได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่วัยหนุม่มวัยน้อยก็าตามผู้ใดได้มาฟังประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่าผู้ที่มีความเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้าพระธรรมปสงค์ตั้งแต่ในวัยเด็ ก, กวัยเล็กอย่างนี้กน็นับว่าคู่นั้นนะเป็นชาติก่อนนั้นก็ได้เริ่มทําความดีมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนู่นเริ่มมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก <c oughs> ก็จึงเกิดมาในชาตินี้เมื่อใด ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเรื่มใสรู้สึกได้รู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายจริงๆพระองค์เป็นผู้พ้นทุกได้จริงเรายอมรับนี่นะเพราะผู้ใดในทากิเลสให้สิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์ใจเลย นนใจนั้นมันเป็นทุกข์อยู่เพราะกิเลสมันครอบงำต่างหากักพนเมื่อ ก, กิเลสหมดสิ้นแล้วใจนี้ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีกังวลอะไรไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้เมื่อบุคคลไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้แล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนแบบนีนน้ร่างกายอันนี้ก็เห็นแจ้งอยู่แล้วว่า มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนแก่นสารอะไรมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าอาศัยบุญกรรมตกแต่งธาตุทั้งสีน่นี่ให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะแล้วดินน้ำไฟลมเหล่านี้มันจะเที่ยงมาทา่ไหนเราก็รู้กันอยู่ อย่างดินน้ำไพลลมภายนอกอย่างนี้นะลองดูอนะ่ะมันไม่มีอะไรจะไปเที่ยงยั่งยืนได้เลยยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ดินน้ำไพลลมที่มาประกอบเป็นอุปร่างกายสังขารอันนี้ก็เหมือนกันเนะมือนะ่อไงเมื่อได้อบรมจิตใจบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้ว เมื่อก็ย่อมเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งในร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเห็นร่างกายนี้ด้วยปัญญาแล้วก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายโดยเห็นว่าตนมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุที่ไม่กิรังยั่งยืนมันก็มีแต่ความแปลผลันกระทบกระทั่งกับดวงจิตกับความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอ แล้วจิตนี่เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็ไม่เบื่ อ, อมันก็ไม่น่ายแม้จะได้รับควากระทบกระเทือนอย่างไรก็ตามก็มีแต่ร้องครวนครางไปมาอยู่เท่านั้นเองแต่สำหรับจิตดวงใดที่อบรมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วอะไรกระทบกระทั่งมาน้อยหนึ่งมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์ ไม่ไม่นึกว่ามันเป็นสุขสบายอะไรเลยรู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันถึงได้เบื่อหน่ายเบี่ยงนั่นแหละการปฏิบัติธรรมในพระศาสานานี่เริ่มทำความดีมาแต่เบื้องต้นจนมาถึงได้ฝึกฝนอบรม์ใจให้สงบให้เกิดปัญญ า, ม, ามองเห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นของไม่จรังยั่งยืน มีความแปรปรวนแตกดับไปจึงเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นนี่ความมุ่งหมายนะต้องบำเพ็ญไปจนให้เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปลงวางแบบนี้ออไม่ถือมัน่นเวยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วไปยังไม่ถือมัน่นมันอยู่มันก็ค้นไปไม่ได้ฉะนั้นเบื่อหน่ายแล้วต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยให้วางอย่าไปดีใจเสียใจกับมัน อย่างนี้เผลอใจไปเสมอๆไปนั่นก็นักปราชญ์ผู้นั้นจะได้เห็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้ด้วยตนเองเลยแบบนี้นะไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากเพราะว่าเมื่อตนสอนใจของตนเข้าไปใจมันเห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งปัญญา นั่นแล้วมันก็ปรงก็วางลงเท่านั้นเองนะก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้นะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถือมั่นไว้อย่างนี้มันมันจะถือไว้ทาไมจิตอนะ่ะมันก็ปรงก็วางเท่านั้นเองส่วนมากมันมันไม่รู้นี่มันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่มันยังถือสิทธิ์ครอบครองร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนอยู่ดังนั้นมันถึงได้เป็นภพจิตใจนี่นะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจใช้ปัญญาสอนใจของตนไปให้ปล่อยให้วางขันทั้งห้านี่ลงเริ่มต้นตั้งแต่เว้นจากกรรมอันชั่วทั้งหลายนั่นแหละมาโดยลำดับจนมาถึงได้พิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาคมเบื่อหน่าย นี่นะป้าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของดวงกิจโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุดิลงเพียงเท่านี้